สำหรับวันนี้เป็นวันที่สามเรือกถือว่าเป็นวันสุดท้าย <c oughs> วันนี้ขอพูดแบบแนวปฏิบัติจริงๆทุกวันมันหลอกๆเลยเรียกว่าแนวปฏิบัติเพื่อรู้บ้าผลตรงไปตรงมาเพราะวเท่าสองวันยังอ้อมอยู่ก็ขอพูดเรื่งความมุ่งหมายที่พระุทธเจ้าตทรงการในการปฏิบัติ ย่าต้องการจริงๆคือบรรดาญาชนทุกคนบรรลุมรรคผลอย่างน้อยก็ประสดาบันถ <c oughs> ้าคนใดบรรลุมรรคผลเป็นประโสดาบันขึ้นไปอันเฉพาะอย่างเงี่ยมันประสดาบันขึ้นชื่อว่าบาปทั้งหมดที่ทํามาแล้วไม่มีโอกาสให้ผลต่อไปหนีบาปคนแต่ว่าตาจารยาสือต้องบอกว่าปิดบรรยายภุ่มในความจริงไม่ได้ปิด จะได้เพียงว่าบาปตามไม่ทันในการเกิดคำว่าโสดาบันจะมีสามระดับเพราะว่าโสดาบันนี่มีสามระดับอย่างหยากอย่างกลางอย่างละเอียดอโสดาบันอย่างหยาบจะเรียกว่าสตัตขับตอย่างนี้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเจ็ดชาติแล้วก็ไปนิพพานโสดาบันอย่างกลางจะเรียกว่าโกลังโกระเกิดเป็นมนุษย์สามชาติแล้วก็ไปนิพพาน ประสูดาบันทรายละเอียดจะได้ว่า เ, เอกวิชีอย่างนี้มาเกิดสปมนุษยอีกชาติเดียวปฏิพันธ์แต่ก่อนที่มาเกิดสม็มนุษย์นี่การเกิดในใบายาปูมไม่มีแต่เกิดปเป็นสัตว์นรกเปลืสัตกายสตชาตันยังไม่มีแล้วประโสูดาบันถ้ามีอย่างเดียวคือว่าถ้าไม่เกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นเดวดาหรือตรงแค่วนไปวนมา <c oughs> ดังนั้นการปฏิบัติธรรดาในพุทธบริษัท ในการเจริญสมาธิสมาธิแปลว่าการตั้งใจหรืว่าตามศัตท์ต้งแปลว่าตั้งใจมัน่นว่ารักษาอารมณ์ให้มันคงอยู่จริงถ้าอยาเอากันขั้นดีจริงๆเพื่อเป็นการได้มรรคผลจเจริญขั้นระโสดากับสีทาคาในใช้อารมณ์ไม่หนักใช่อารมณ์เบามาก ตัือเอามากเพราว่าใช้แค่อนุสปิกโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาธิไม่เกินปรุมมานใช้ได้แต่ถ้าคำว่าฌานนี้ของบรรดาแต่พุทธบริสัทหลายจูนยาสนใจสนใจอย่างเดียวคืออารมณ์เป็นสุดทันต่อนถ้าไปนสนใจทมฌานจะคิดว่าเราได้ฌานที่หนึ่งยังต่ำไปต้องการฌานที่สอง พอถึงฌาน 2, ในสองเ็นเาได้ฌานในสามคิดว่าเราต่ําไปเล้วการฌานในสามพอถึงฌานในสามเราเห็นเห็นเขาได้ฌานใสี่เราคิดว่าต่ำไปอยากได้ฌานใสี่แม้เมื่อได้รูปฌานแล้วก็อยากจะได้รูปฌานคนที่สุดก็เล่นชานเกินไปไม่ได้มรรคผลเรื่องความเรื่องของฌานไม่มีความสําคัญอย่าสนใจกับคําว่าฌานให้สนใจกับจิตเป็นสุขพอ ตั้งอาณ์ไม่ได้เท่านั้นโอตอนนี้พระโสดาบันสุบิธาคามีท่านทำยังไงทำไมนะพระโสดาบันบัณฑิตาคามีท่านทแบบนี้นะการเจริญสมาธิอันดับแรกพระโสดาบันฤทธิสิกาคามีฤทธิสงฆ์ตามนี้ขึ้นหนึ่งบรณาติกรรมฐาน นึกถึงความตายไว้แต่ว่าไม่จำเป็นต้องนึกทุกลมหายใจท่อเรื่องที่เรียงว่าตื่นขึ้นมาเช้ามีความรู้สึกว่าวันนี้อาจจะต้องตายก็ได้ถ้าความตายเป็นของเงที่ยงชีวิตเป็นของไม่เที่ยงถ้าเรียกว่ามรณานติกรรมฐานต่อไปก็พุทธานุติธรรมานุติสังขานุติกรวบโคกกันไปเลย เือมีความเคารพในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระอริย ส, สงฆ์ด้ความจริงใจก้อนี่สาตามศักดิ์นับว่าศีลปฏะปธรามาไม่รู้คลมในศีลแต่ว่าเราเสือเจบับหลังตอนเขียนเยนยังไม่จบเขียนกรรมาฐานเจริญกรรมาฐานด้วยตนเองท่านบอกให้เขียนขนาดปวดเวลานี้ปวยอยู่ท่านบอกว่าใช่แค่ศีลห้านี่ไม่พอ ต้องใช้คำบดเสียงเพราะว่าพระโสดาบันนหนึ่งไม่พูดดดโดย ว, วาจาในบางเรื่องกันสองท่านไม่พูดคำหยาบสท่านไม่ส่อเสียดนินทาชาวบ้านสท่านไม่พูดวาจาี่ได้ไประโยชน์เฉพาะสิ่ห้ามีเฉพาะห้ามวาจาที่พูดพดอย่างเดียวต่านบอกสั้นเกินไปใช่ไหม เรืงความว่าประสงดาบัญก็ทรงกำหนดศิทธการทางกายหนึ่งไม่ฆ่าจักสองไม่ลักทรัพย์สมไม่รุกิเทกรรมทางวาจาก็ไม่พูดผกไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดวาจาเหลียวไหลไรประโยชน์ทางด้านจิตใจไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติก็พวกคอื่นโดยไม่ชอบทำ ไม่จองล้างจองฝายไข่าความโกรธมีถ้าไม่จองล้างจองฝายไข่ไม่โผล่โกรธแล้วก็มีความเห็นถูกเห็นตรงตามคําที่เจ้าทรงสอนคือไม่ผัดต่อธรรมวินยัยที่เจ้าทรงสอนเวลาจะเรียนสมาธิทำไงจิตสมาธิ่าตั้งใจก็คือได้พูดแล้วว่าสมาธิคือกติสัพปัญญะ กตติลึกไว้ว่าชีวิตมันจะต้องตายสัสัญญารู้ตัวไว้เสมอว่าคนเนี่ยเกิดมาไม่ใช่แก่แล้วตายเสมอไปบางคนตายแต่วัยเด็กบางคนตายแต่วัยหนุ่มสาวบางคนตายเมื่อวัยววกลางคนบางคนตายมาแก่ก็พิจารณาตามความจริงไม่ต้องใช้ปัญญามากแค่สัญญาเบาๆก็พอสัญญาเรล่ความจํา ไป ด, ดูตามความเป็จริงว่าคนที่เกิดที่หลังเราขึ้นเป็นเด็กกว่าเขาตายก่อนเรามีไหมท่าวนี้ก็อย่าเพงทราบว่าเด็กที่เกิดที่หลังเราตายก่อนเราก็เยอะ <c oughs> คนรุ่นล่นลางข่าวเดียวกับเราตายไปแล้วก็มีไหมเราทราบว่ามีคนที่เกิดก่อนกตายแล้วก็ตายแล้วก็มีทัศนว่าคนตายไม่แน่นอนนะักเด็กก็ตาย หนุ่มสาวก็ตายวัยกลางคนก็ตายคนแก่ก็ตายเรื่องความวาไม่ไว้ใจในชีวิตกองตัวเองคิดว่าความตายอาจจะเข้ามาถึงเมื่อคิดถึงความตายบรรดาชนพุทธบริษัทไม่ใ้ทําใจอ่อเโยวให้มีความรู้สึกตามความไปจริงว่าบันเป็นองธรรมดาแล้วเกิดมาต้องตายแล้วต่อไปคิดว่าก่อนจะตายเราไม่ยอมรอวใบ ย, ยาคุมแน่ เราจะยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่เพื่อนด้วยความเครพดคือความจริงใจและราการนี้สามริยสงฆ์กํามบุตรศึกให้ครบถ้วนอย่าลืมว่ากรรมบุตรศึกก็ ค, คืนหนึ่งไม่ฆ่าชัดสองไม่ลักทรัพย์สมแม่พฤกษิกรรมในทางกายทางวาจามีสีไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียด ให้เขาแต่รื่กันไม่พูดวาจาไราประโยชน์แต่ทางใจจ็มีสามไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมนของเขาคนอืน่นที่ได้มาโดยไม่ชอบทำคือไม่รักไมาขโมยเขาแล้วกิจการอีกสองไม่โกรธความโกรธยังมีอยู่แต่ไม่จองล้างจองสาลกิจการอีกสาม มีส ม, มาธิมีความเห็นตรงตามคำวิจารณ์พระเจ้าทรงสอ น, นไม่เคยลบหลุดเจ้าเวลาทำสมาธิจริงๆจิต ใ, ใจก็จําสมาธิเราตั้งใจตั้งใจคิดว่าเราจะไม่ฆ่าสัตว์เราจะไม่ลักทรัพย์เราจะไม่รกระพุ้ดกิ็นกามเราจะไม่พูดโมสาวาสเราจะไม่พูดคำหยาบ เราจะไม่ส่อเสียดเชี่ยบันเขาแตกราวกันเราจะไม่พูดวาจาเหลวไหลไร้ประโยชน์เราจะไม่คิทย์ยาได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นโดยไม่ชอบธรรมเราจะไม่จองล้างจองฝายใคโกรดก็ผ่านไปเราจะไม่ฝืนคําสอนขององค์สุเทรภิษณม์มมาถะงสุนทรียจจ์เราลองความว่าหลักสูตรของพระสโ์ดาบันเ ข, นนเขแค่อนุสติ เวลาที่เราั้งสมาธิอาวนาด้วยรู้ลมหายใจเขาออกโดยตอนนี้เป็นการฝึกอารมณ์ให้ส่งตัวเวลาฝึกอรรมณ์ให้ส่งตัวอะไราทำยังไงอันดับแรกลึกถึงชีวิตว่าต้องตายสะก่อนเอาวะวัอนเอดียวหนึ่งและต่อไปก็นึกถึงพระพุทธเจ้ากระทำพระอริยสงฆ์ด้วยความขอวรุ หลังจากนั่นกระลลงหายใจเขาออกหายใจเข้าในวัฏฏเดชะออกวัโทอย่างนี้เป็นพุทธานุสติกรมรมฐานในสิงห์พระพุทธเจา้าถ้าครแยถ้าภาวนาว่าธรรมโอก็นึกถึงกลาเป็นธรรมานุสติกรรมฐานถ้าภาวนาว่าสังโฆ ว, ว่าสังขา ร, รมุสติกรรมฐานด้วยความจริงไม่จําเป็นต้องย้ายคำภาวนาเป็นว่าตั้งใจคารม เรามีความเคารพแต่พระพุทธเจ้าในพระธรรมพระอริยสงฆ์ในความจริงใจเพียงเท่านี้ก็ภาวนาตามความพอใจฝึกจิตใจให้มีการทรงตัวและหลังจากนั้นมาปางครัเราจะไม่ยอมละเมิดกำหนดสิบราการถ้าทำได้อย่างนี้ตามหลักสูตรบอกว่าเป็นปะโสดาบัญทยายากนะ ถ้ามีอรมณ์อย่างอยากเป็นมโสดาฟันมีคําว่าอยากก็วันหนึ่งนึกถึงความตายจริงสรรคาระกพุทธเจ้าวธรรมพระอริยสงฆ์จริงและก็สามมีกําหนดสิทจริงแต่กาหนดสิบางส่วนยังยากอยู่ในกามัยความวาจิตที่คิดไม่อยากได้สัตว์บัติเขาบงคนอื่นมันมีจริงแต่ยังอยากรวยเกินพอดีใช่ไหม จะมีการบินลนในความร่ำรวยบินมากไปนะไม่ใช่บินพอดีพอดีและราการในสองความปวดมีการขังความกวดมีตั้งนิดหน่อยตามธรรมเนียมแต่ไม่มากนะักบางครั้งมีความเห็นฝืนพระพุทธเจ้านิดหน่อยจะฝับใจได้อย่างนี้ถือว่าเป็นประโสดาบันยันยา อันบี้ันว่ากันอย่างละเอียดตัวโสดาบันอย่ละเอียดที่เรียกว่าเอกวิชีกับสิกิตาคารมีมีบา ร, รมีเสมอ ก, กันต่างคนต่างก็เกิดเป็นนิพิจชาติเดียววันิพันธ์นั่นกันถ้าถึงเอกวิชีก็ดีพระสุกิตาคาระดิษฐ์จะไม่ลืมตามนี้หึงมีความรู้สึกว่าชีิ่นี่ต้องตายมีความแมน่นอนไม่ลืม มีความไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าสักวันหนึ่งเราต้องตายตอาจจะตายวันนี้ก็ได้เมื่อนึกถึงความตายขึ้นมาแทนเ ง, งี้ยเศาหมองกับมีจิตขึ้นเร็วว่าเรามีการชนะกิเลสเพรกิเลสสอนเราไม่นึกถึงความตายเวลานี้เรานึกถึงความตายแล้วเราก็ไม่ประมาทในชีวิตกิเลสแพ้เรารายการที่สองมีความมั่นคงในการเขาเป็นพระ เ, เจ้าในพระธรรมพระอริยสงฆ์แน่นอน ดยเอกวิชีนะเรื่การดีสามเรื่องสิ่งมั่นคงจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งมัโนกรรมมีความสําคัญมากมโนกรรมคือได้จิตใจลดความโลภความโลภนี่เบาลงลดความโกรธเรือการเบาลงลดความหลงธเรือการเบาลง ความ ร, วร่วมามกวดความหลงว่าเอกวิมีก็วดีสมงกิตาคามีก็ดีรวงความว่าการอยากรวยเนี่ยมันไม่มีในใจมีความพอใจในชีวิตที่เป็นอยู่อันนี้สําหรับพระโสดาบัาานกับสังกิตาคารมีท่านบอกว่ายังมีชีวิตครอบเรือนยังมีสา ม, มีพัญญา คนที่ยังไม่แต่งงานเป็นบัศดาบันก็ดีเป็นสกิทาคามีก็ดีก็ออยังแต่งงานที่แต่งงานกันแล้วก็ไม่ต้องอยาร้างกันที่พอถึงบัสดาบันยังมีอารมณ์ปกติพอถึงสกิทาคามีอารมณ์เฉยชาก็ได้ความรักก็จะหวังเพียถ้าสกิทาคามีอย่างหยาบความรักก็จะมีคุณมีกําลังอยู่บ้าง เือเมื่อเศราคามีเยอะเอดความรักไม่มีกำลังเลยบางครั้งะโรงความรักจะเกิดขึ้นในระหว่างทีปุ่นนี้ว่าจำยากต้นใหม่เราเอาใหม่ขึ้นต้นใหม่วิธีรมสมาธิเพื่อโสดาบันมึนนึกถึงความตายเป็นปกติ ใจการที่สองมีความเค า, ารพพระเจ้าประทานพระอริยโสดแน่นอนใจการที่สามมีคำบอสิกครบเพื่อนคำบอสิกครบเพื่อนคำหนึงไม่ค่าสัตว์จริงไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการมทางกายทางวา จ, จาไม่ปุดบดไม่พูดคํหยาบไม่มศศออศศพูดสอเสียเกยรติ่งเสงิมยเขแตกราวกัน ไม่ปูดวาจาเหลยวไหลไรประโยชน์จิตใจไม่นึกอยากได้ทรัพย์สมบัติเขาพวกคนอื่นที่จะโกงเข้ามาไม่มีในจิตใจเราเอาแท่โกงและขโมดกันแล้วในการ a นสองความโกรธยังมีอยู่แต่ได้ว่าไม่จองล้างจองสายโกดแล้วก็ล้วต่อไปไม่จองเวรจองกรรมในการ a นสา มีความเห็นตรงตามคำสั่งสอนขององค์สำเร็จประสัมมาแต่เป็นเจ้าไม่ผืนแล้วก็สำหรับแนวปฏิบัติจริงๆถ้าคนยี่ขึ้นไปวิโสดาไปก็ดูกำลังใจว่าปฏิบัติตามที่กล่าวัละได้ครบบทุนไหมยัง แ, แค่ใช้อนุสติคือตามนึกถึงพอปฏิบัติจริงๆจิตจะเข้าเกตวิโสดาวันที่ได้บอกโครปุญญา ตอนนี้กำลังใจจะรักผลิภานเป็นอารมณ์จิตใจต้องการอย่างเดียวคือผลิภานจะคิดอย่างอื่นไม่ไปสวรรค์ก็ไม่อยากไปพมโลกไม่อยากไปอยากไปจุดเดียวคือนิภานอย่างนี้เที่ยวเข้าถึงโคระภูของระโสดาไปเกือบจะถึงเมื่อโสดาบันมือคว้าวิบวิบอยู่แล้วพอเข้าถึงมโสดาบันจริงจิกรักผลิภานมากขึ้นขึ้น หลังต่อจากนั้นไปจิตยอมรับและถือกฎธรรมดาการกระทบกระทั่งอารมณ์ใจมันอาจจะโกรธหรือกันเดือดร้ช้าแล้วก็หายเร็วมีกาลังเบาเทียบความโกรธความโลภโมโฑสันมีกาลังเบาหลงน้อยหลงคาว่าโลกอยากได้ทรัพย์สมบัติก็ไครไม่มีเลยนอกจากจะทํามาให้กินโดยเฉพาะก่นนั้น พระองความว่าพระโสดาบันมีลมเท่านี้นะคือการปฏิบัติจริงๆใช้สมาธิสมาธิบริการใต้ใจแต่ละวันตื่นเช้าก็นึกว่าวันนี้อาจจะต้องตายตายหรือไม่ตายก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเราคิดว่าอาจจะตายไปเสมอคือสร้างความดีกำกับใจเอาไว้ไม่คิดอย่างนี้ก็ดึงแล้วก็จะเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ภายในใจด้วยความเคารพ ตั้งใจส่งสินและกรรมบทสิบได้บริสุทธิ์จิกฝังอย่างเดีย ว, ว่าถ้าตายเมื่อไรเขาไปนีนพานสุขเดียวในการตั้งใจเวลาเหลือทิศสองนาทีก็เล่าดิธานทั้งสองเรื่องนีไหมที่เรื่องสิบบาทตัวน่งคนที่พอไหวไหมฝันอย่างไรนิธ า, านมีอยู่สองเรื่องไหวหรือไม่ไหวก็ไม่ทาก ดยอย่างบรรโสดาบันอย่างท่านสุภาพุท ธ, ธากุติเรา่าเยาะเยาะเรื่องเอาแต่ใจความเนี่ยท่านสุภาพุทธากุตินี่เป็นขอทานด้วยเป็นโรกเรือนด้วยท่านฟางเทศเจากพระเจ้าจุกเดียวเป็นบโสดาบัน เมื่อได้ประโสดาบันแล้วนอนที่บ้านก็คิดในใจว่าถ้าพระเจ้าทรงทราบว่าเราเป็นพระโสดาบันจะทรงดีใจมากตอนเช้ากินข้าวแล้วตั้งใจจะไปรายงานพระเจ้าทรงทราบพอเดินออกจากบ้านระหว่างทางพระอินล้วก็หลงใจท่านก็ไปลอยขวานหน้าแสดงตนพระอินชัดเจนมากท่านแถมว่าสุภภาพุททะกุติ ถ้าแปลเป็นภาษาไทยนะถ้าแปลว่าตาสุปาพุทธขีรเลนอนี่ยกูคิดว่าไปรเลนใช่ไหมถ้าตาสุปาพุทธขีรเลนจะไปไหนท่านสุปาพุทธก็บอกว่าฉันจะไปเป่าพุทธเจ้าปีนเรื่องถามว่าจะไปทําไมท่านก็บอกว่าจะไปรายงานพุทธเจ้าทรงทราบว่าเวลานี้ท่านได้ไปโสดาบัน ท่านมีอินทร์นั้นทราบดีว่าพระโสดาบันมีปฏิปยาแบบไหนดังนั้นเลยลองใจท่านสุปาภูทธท่านบอกว่าสุภาภูธเธอเป็นคนจนด้วยการที่สองเธอก็เปโรกเรือนเป็นรูปร่างที่บุคคลนละเอียดถ้าเธอพูดตามเราพูดแม้จะไม่ตั้งใจก็ตามทีไว้ไป็นไรแค่พูดเฉยๆก็ได้ว่าเราพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้า พระทรรไม่ใช่พระทรรมพรสง์ไม่ใช่พระสงค์พูดเพียงเท่านี้ถ้าเธอพูดได้เราจะบันดาลให้หายจาโรคเรื่องมีรูปร่างหน้าตาสดสวยเราจะบันดาลทัพย์สมบัติให้มา ก, มาก่สมหาวิถีทั้งหลายให้ดรวยที่สุดในโลกท่านสุ ป, ปาพุทธฟังท่านั้นเมื่อขีณาไปว่าไ ป, าปอินคอยค อ, อยไ ป, ยไปแน่จริงด้วยนะ ปัญหาว่าเราเป็นคนจนเราไนมะ่จนจะ่โลภะทัพย์หนึงตารียทรัพย์ตระรวยแน่คุณเขด้วยอรียทศัพย์อยู่ในใจใครรู้ไม่ได้นะก็ลงความว่าท่านไม่ยอมปฏิบัติตามอันนี้แสดงว่าท่านมั่นคงในประไตสนาคมจริงหลังจากนั้ น, นไปอินได้บริตไปไปพ่าพระพุทธเจ้า เมื่อไปถึงพระเจ้าตศาสการแล้วกร่าบตูนว่าพันเตยพระกาวาทัดิองสุเดิพระผู้มีพระพ่าเจ้าพุทธเจ้าพระเจ้ากาวันนี้ไปลองใจสุปาพุทธให้พูดเฉยๆว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่พุทธเจ้าพระธรรมไม่ใช่พระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่พระสงฆ์เท่านี้สุภาุทธะด่าแต่อาจเด่าข้าพเจ้าว่าเจ้าถอยอยข่ค่อยไปไม่ยอมไม่ยอมกล่าวคําพูดอย่างนั้น คนแจ้ประสูัิว่าพระกว่าดุก่อนปามาโมเพลยคนอย่างสุภะพุทธะคือเป็นประสูดาบันแล้วเรียกว่าแต่พระอินองค์เดียวเลยถ้ามีพระอินสักพันองค์ไปพูดให้พูดจะไปบอกให้พูดจะในไม่มีใครเขาพูดตามเห็นไหมกลวงความว่าคนที่เป็นประสูดาบันไม่มีการสรามัคคในพระไตรปิฎกคือพระพุทธเจ้าประทับต า, า อ, าาสอิสสัง แปลว่าพระสงฆ์ที่ไม่เอาไหนให้าไม่กินข้าวเหมือนกันนะอย่างพระสงฆ์ที่กกะทะเลาะ ก, กันเมืองเวสต์ดียร์ไพร์สลีงถ้าที่ทะเลาะกันเองข้าพุทธเจ้าเบื่อนายต้งไปโปรดท่างปฏิรัยกาดปรากฏว่าคนในเมืองนั้นเนี่ยเข้าไปมันเขมีพระอริยเจ้ามากแต่จะมาโซดาทั้งอาาคารีมีเยอะคนที่ไม่เป็นพระอริยเจ้าจะมีน้อย ในเมื่อพระเจ้าหลีกไปก็าก็ทราบว่าที่พระเจ้าหลีกไปจากที่นั่นเพราะว่าพระทะเลาะ ก, กันพระเจ้าห้ามไม่ต่งท่าก็เลยมีศรัทธามากต่างคนต่างไม่ใส่บาตรให้กินประทานความเชื่อนะเชื่อว่าทะเลาะ ก, กันแม่เลยถ้าพระสนธิหลายแล้วแม่งก็เลยใส่ปุถุชนคนนี้ไม่เจ็เป็นพระอริยเจ้าถ้าไม่รู้เรื่องใส่บาตรให้จริงแปลว่าหอมหัวโตจํต่างกัน ก็ลงความว่าพระอริยเจ้าท่านมีความเคารพในพระไตรปิฎมจริงแต่ว่าแท้ก็เลือกเคารพเหนกันนะจนนันเป็นวสดาบันในฉลาดมากแล้วเอาแต่บุญขอที่เป็นบาปไม่เอาไม่ได ท, ทานเรื่องต้นนะเวาลาเจ็ดนาทีแต่คนต้นนี่แสดงว่ามีความมั่นคงในพระไตรปิคมชัด แลเรื่องกำหนดสิบล้านิน้าไม่จำบอกก็ด า, าว่าะอทานไม่ขาดขาดไหมอคทานแท้แท้นี่ก็ไม่ขาดเขาขอด้วยความริสุดใจใช่ไหมต่อไปทีคนที่มีครบทวนบริบุญเป็นเสการีเบสการีเนี่ยแปลดลูกสาวนายช่างหกเบสการีทิดาเบสการีเนี่แปดนาช่างหกคนนี้ตอนไม่ยี่สิหกปี ฟังเทศจะพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าเทศเขากล่าวเย่อว่าเธอต้องหลายชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงทุกคนโยตั้งโยในศีลพระพุทธนี้ก็แลังกันนะแล้วก็ไม่ประ ม, มาทในชีวิต <c oughs> อย่าคิดว่าความตายอาจจะเข้าถึงเราวันนี้ไปเสมอเอาจะยาะแต่ความยิ่พระพุทธเจ้าเทศมายาวหน้ากระดาษ ถ้ามบดก็ไม่ถึงครึ่งหน้าเป็นอนาตหนึ่งพระุทเจ้าทรงแนะนำว่าเครดิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงในการนี้ก่อนเพื่อทุกคนลหลายจนยาประมาทนิริตจนคิดตั้งปฏิบัติได้ความดีมีศีลเป็นต้น <c oughs> เป็นสกาเลียอยู่สิบหกปีเทว์ก็จำได้จำได้แล้วตั้งใจปฏิบัติตามมาถึงเวลาสามปี เคยคิดไปเสมอว่าคิดถึงพระพุทธเจ้าทุกวันพระพุทธเจ้าทรงมีรูปโฉมล ง, งพันมีวงค์หน้าเหมือนขั้งประจัน์เป็นตัวมีรูปสวยเคยกลา่าวว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงพวกคนอย่าบรมาแต่ชีวิตจึงคิดว่าความตายถึงเราวันนี้ก็เสมอและจงปฏิบัติความดีมีศีลเป็นตน้น การที่เธอนึกถึงพระพจ้าก็ถือว่าเป็นการเคารพไปประไตรปิฎก ม, มีพรพุทธเจ้าอยู่ฐานหนึ่งมีแน่นกายใ้สองทิศว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของที่ยมีมรณานัทธิแน่กาปรปฏิบัติความมีมีศีลเบื้อมีศีลประจำแน่สปีไวยขัดอายุย่างเข้าสิบเกปี <c oughs> ตอนเช้ามืดวันหนึ่งองค์สันเดชติญสีตรวจกุฏิสายเข้าศักด์ตอนเช้ามืด กลายเปรนสกีเป็น ส, ก, นส ก, กาลีตกในไขพ่พยานเขาไม่ออกตัวก็แปลกใจว่าเด็กสาวคนนี้เมื่อสามปีเราพบแล้วครั้งหนึ่งตั้งสามปีนาจำได้พระเจ้าไงว่าวันนี้เหตุเนี้ยจะมีเหตุอะไรเกิดขึ้นก็พิจนารณาดสสูก็สงทราบว่าตอนสายวันนี้เคยจะต้องตาย ก็พิจารนาต่อไปว่าถ้าเราไม่ไปช่วยความตายครา้นี้คือจะแน่มีคติแน่นอนไหมถ้าเป็นพระโสดาบันจริงมีคติแน่นอนต้องเป็นโสดาบันคือไปคําว่าแน่นอนก็หมายความไม่เกิดในอบยัยกวะแต่เวลานี้เธอยังไม่ได้เป็นโสดาบันยังมีคติไม่แน่นอนอาจจะไปสู่สุคติก็ได้สุคติก็ได้ ยังทรงพิจารณาตอบไปว่าถ้าเราจะช่วยเธอจะช่วยยังไงที่มิีกแน่นอนก็ทรงทราบว่าถ้าเราไปถามปัญหาสี่ข้อเพื่อเธอตอบถูกเราให้สาธุการะศีวระครบสี่ครั้งเธอจะได้ประโสดาบันตอนสายจากนั้นตายและจะ เ, เกิดเป็นนางฟ้าชั้นดุสิตงค์ก็เสด็จไปเขานี่เสด็จเสด็จไปมาก มีพระเป็นบริวารห0 0อองไปเทวทรายพอไปถึงที่นั่นชาวบ้านเขาทราบก็มาทํา บ, บุญกันสาหรับรุกสาวนายช่างหูเขาทราบข่าวพุทธเจ้ามาเขาเจียงเคย อ, อยากพบมาสาปีแล้วมไม่พบท่านแต่ว่าตอนเย็นบันวานพ่อสัง่งว่าวันพวกนี้เอาหารได้ให้พ่อกรอได้ไปด้วยก็ได้มันหมดได้รับพอปูดเคยก็นั่งรอได้คิดในใจ แต่ก็ได้เสร็จที่มันก็สายถ้าเราจะไปหาพ่ อ, อก่อนพระพุทธเจ้าอาจจะกลับไปเสียก่อนก็ได้ <c oughs> ถ้าไปหาพระพุทธเจ้าก่อนจะสายเกินไปพ่ออาจจะด่าจะตีก็ได้แต่เพือจะตัดสินใจว่าพ่อจะด่าจะตีไม่เป็นไรการขอพระพุทธเจ้าเป็นของยากจนตัดสินใจไปพ่อพระพุทธเจ้าก่อนตอนนั้นพระพุทธเจ้าฉันเสร็จท่านก็ไม่ส่งบาตรให้ใคร แล้ท่านก็ไม่เทศชาว่านก็นั่งจ้องฟังพระเจ้าทรงคิดว่าเรามาเพื่อบุคลคลคนใดแต่คนนั้นยังไม่มาเรายังไม่เทศพอเปรษการีเข้าไปคนมากแบบหรือาจจะมากกว่านี้พระเจ้านะเธอมาที่หลังก็นั่งท้ายสุดแทรกเข้ามาไม่ได้พระเจ้าเห็นเธอเข้าก็มองหน้าเธอเธอก็มองตาวพระเจ้าโรงทรา ก็ทราบว่าเวลานี้พระเจ้าต้องการให้เข้าไปพบใกล้ๆก็ขออนุญาตฤกษ์เข้าไปพอเข้าไปใกล้เพือกราบแล้วพระเจ้าก็ทรงถามว่าพระกินีดูก่อนนองหญิงเธอจะไปไหนเธอมาจากไหนเด็กอายุสิบเก้าปีพระเจ้าเกิดแปดสุน้องหญิงนะแปลกไหมเพราะว่าสัตว์นี้พระเจ้าทรงฤกษ์เหมือนกันหมดตั้งแต่เด็กถึงคนแก่เธเดินนองหญิงหมดแต่นศัตว์ของพระเจ้าเัน ท่านถามว่าที่นี้โยก่อนน้องหญิงเธอมาจากไหนเธอก็ตอบว่าไม่ทราบเดี๋ยวค่ะท่ถามว่าเธอจะไปไหนเธอก็ตอบไม่ทราบเดี๋ยวค่ะท่านถามว่าเธอไม่ทราบหรือเธอก็ตอบว่าทราบเดี๋ยวค่ะันน่าตกอกตกท่านถามว่าเธอไม่ทราบหรือเธอตอบว่าทราบเดี๋ยวค่ะมันน่าจะสอบลงเลย ก็เป็นว่าทำให้ชาบ้านผู้ใหญ่เอไอวายดาว่าอีเด็กเล็กตัวเล็กเพียงเท่านี้สามารถล่อเรียนพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาเลยเวลานี้แต่เป็นเวลามันไม่จบเพื่อแจกงเราซ้อบกมือห้ามเอาชาก่อนชาก่อนตั้งเหตุผลก่อนเพื่อแจ้งหลวง่อนถามใหม่ถามว่าน้องหญิงที่จะทาโคตถามเธอมาจากไหนเธอตอบไม่ทราบหมายความอย่างไง เป็กระตาว่ า, าการที่หมอมฉันมาจากบ้านองคพไดทราบด้ยญาณแล้วแต่ที่อคงค์เขาเดินเข้าที่แก้วสงถามก็หมายความว่าก่อนจะเกิดมาจากไหนหม่อมัฉันไม่ทราบพรจยากาศพระเจ้าสาธุถูกแล้วถูกแลว้แลวคุณแก่แพ้ไปเลยนี่แม่คุแก่แก่เงี้ยฉันไม่แก่หนุ่มน้อยถ้าต่อไปเพื่กจะโดนถามว่าดูก่อนนอหญิง ที่ตาคาคดถามว่าเธอจะไปไหนเธอไม่ทราบหมายความยังไงที่ก็ตอบว่าการที่มอมฉันจะไปหาพ่อจีรงทอหกหลวงคุณทราบปิยะพุตธญาณและพิจารณาแต่คําถามอย่างนี้ไม่ถามยังถามว่าถ้าตายจากชาตินี้จะไปที่ไหนมอมฉันไม่ทราบพิจารณาพระเจ้าว่าาทุกข์เคยแก่แค้นพระริศองดาโทษเขารอหรืจอจ่ายไห เธอถามต่อไปที่เธอเขถามว่าเธอไม่ทราบหรือเธอตอบว่าทราบหมายความยังไงเธก็ตอบว่าคำว่าตอบว่าทราบไม่ทราบหมายความไม่ทราบว่าความตายเนี่ยมันจะตายเมื่อไหรเธอทราบว่าจะตายจริงแต่ไม่ทราบว่าจะตายเวลาไหนตายเช้าตายสายตายตาตายเที่ยงตายกลางคืนกลางวันไม่ทราบพระเจ้าก็ทรงทุกมือสาธุขอทีละทุกละดีแล้วทุกเล่ ต่อไปพระเจ้าถามว่าพีจารณาพระถ า, ว, า, ถาว่าเธอไม่ทราบหรือเธอตอบว่าทราบหมาคอยความงไงเธอตอว่าทราบต้องตายแน่พระเจ้าค่ะให้ให้สาธุการเนี่ยปรายคนละให้สาธุสี่ครั้งเธอเป็นตโสดาบัน่นอ้วลงความเป็นสาการีรครบพ้นบริบูรณ์คืนหนึ่งเมื่อพึ่งความตายไว้เป็นปกติพระเรื่องสองคารตกในพระใจนาคมในพระรุจ้าพิจารณานแน่นอนตลอดมา ในการนี้สามมีศีลบริสุทธิ์จริงได้ความมั่นคงในมนรรคตรีธรรมฐานหย่อนไป น, นิดหนึ่งใช่ไหมยังไม่เป็นมระโสดาบันพระเจ้าจึงทรงย้ำเรื่องความตายให้มั่นคงยิ่ขึ้นเมื่อเธอมั่นใจแน่นอนจึงเป็นมระโศดาบันเดียวนั้นหลังจากนั้นพระเจ้าก็เสด็จกลับชาวบ้านก็กลับเธอก็ไปโรงทอผูกไปถึงท่านพ่อคอยลูกสาวเมื่อตอนเช้า ผู้สาวยังไม่ไปก็ทอหู่นฆ่าเวลาทอไปทอมาก็ทรงผลักผลิตไงจะทรงบรรพุมันได้พี่เจ้หัวหนั่งทรงลักก็นั่งหลับมือหนึ่งถือปืนอีมือหนึ่งจับก้สวยตั้งท่าจะาพุ่งก้นสวยเมื่อพุ่งก้สวยก็ท้อปืนไม่ทันจะทำสร้างท่าไปแล้นก็หลับคาฟืนผู้สาวไปไม่ทันสังเกต เตือเข้าไปเอาตัวเปกระทบปลายฟืนนิดเดียวฝืนไหวพ่อตื่นไอตัวตั้งใจไว้เดิม ว, ว, าว่าจะพุ่งก็สวยก็สวยตัวแรงแล้วกระทบฟื่นตัวแรงก็สวยไปกระทบอกผู่สาวล้มลงเส้นขาดใจตายเมื่อตายแล้วก็มาเกิดบนสวรรค์ท่านดูสิกระจกเป็นขามีนะกระจกอย่าง ก, งการองความการปฏิบาาัติบรรดาแต่ผู้บริษัทท่าปฏิบัติจริงๆเนีตนะัดตรงกันเข้าไปเลย เอาทำกันทุกวันเข้าใจว่าไม่เกินสามเดือนส่งตัวตื่นขึ้นเช้าแล้วก่อนที่ปฏิบัติใดๆคิดว่าชีวิตนี้มันต้องตายแน่นอนเราเกิดมาเพื่อตายหรือเลี่ยงความตายไม่คนแตะความตายจะไม่แน่จะปรากฏเวลาไหนก็ไม่ทราบเราวาดตารางไว้ก่อนถ้าบังเอิญจะตายวันนี้แล้วเดี๋ยวนี้เราไม่ยอมไปไว้ก่อน เราจะยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ในความสริงใจตั้งใจให้ไม่โกงหลังจากนั้นก็ตั้งใจประพฤติกรรมบทศิ์ให้ไม่โกงจริงๆใหม่ๆแล้วก็บัดบกตัองบ้างเป็นของธรรมดาเราใช้ความเกิดชินไม่ช้าไม่เกินสามเดนก็ส่งตัวแมงคืนหนึ่งไม่ขาดจากในความตั้งใจกรรมศิษย์ทั้งหมดนี่นะต้องถือการตั้งใจเป็นสำคัญนะ ถ้าเอิเดินไปเหยียบสัตว์ตายก็ตามเรื่องของไม่ทับสัตว์ตายก็ตามไม่คิดเจตนานี้ไม่บาปจินไม่ขาดหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สอไม่รับสัตว์สามไม่พุทธิกรรมไม่ทางกายวาจามีสีไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่พูดซ้อเสกแต่งรลวกันแต่ไม่ใช่วาจาไรประโยชน์แล้วก็ทางใจไม่คิดอยางได้สรุปหมายของคนอื่นโดยไม่คิดโกงไม่คิดลักขโมย แล้วก็ไปคิดจองล้านความโกรธมีอยู่ไม่จองล้านจองผายไขย่ไม่ฝืนคําสอนองค์ตั้งแต่สมมาธรรมเจ้าอธิบัติตรงแบบนี้ดีกว่าเห็นไหมแต่การภาวนานั่งภาวนาควรทํานั่งภาวนานี่ยหมายความเป็นการฝึกจิตให้มีการทรงตัวคําว่าทําสมาธิจิตในการทรงตัวต้อฝึกไม่ฝึกคนจะเหลวไหลเวลาการฝึกจริงๆเราจะภาวนาว่าอยังไงก็ตาม ถ้าเป็นก็ต้องถือเอาใจสบายเป็นสำคัญถ้าจิตเป็นสุขพอทําไปทําไปจิตเกิดเกิดความเ ม, มืวอยมีจิตผู้สา่นตอนนี้ต้องพักเสียอย่าปล่อยไปการนั้นอีประการหนึ่งถ้าปฏิบัติเข้าถึงปีติที่ตีความอิ่ใจนีม่มีความสำคัญมากเข้าถึงตัวนี้ไม่มิไม่อิ่มไม่เบื่อในการปฏิบัติไม่อยากเลิอกอันนี้ไม่ควรนะ ถ้ามีความอิ่งใจสันมาเนี่ก็ตามถึงเวลาเลิกต้องเลิกต้องมีการพักผ่อนให้สมบูรณ์ให้พอดีก็ที่เคยปฏิบัติมาเคยพักผ่อนมาย่าฝืนนอนหลับนอนไม่ชาเจอโรคซึศาสตร์ตอนนี้ไปธรรมดาจะพ้บริษัทเวลาเลยไว 5.6 ปกีขอทัหลายต่างแจนสมาทานสิส่สมาทานสมบูรณ